ชาวนี้ก็ขอให้เรามาพิจารณาเรื่องสุขแล้วก็ทุกการทำความเข้าใจเรื่องทุกหรือรู้จักทุกนี่ก็เป็นกิจในอริยสัจข้อแรกอริยสัจมีมี4ประการอย่างที่เราทราบกันดี และสัตอริยมสัตว์ทอนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกข์นะทุกข์นี่สิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องก็คือการรู้จักรู้จักเขารู้จักทุกข์การรู้นี่ก็รู้ได้หลายแง่แต่แง่นึงก็คือรู้ว่าทุกข์นี้เกิดจากอะไร ความสุขหรือความทุกข์นี่ก็เหมือนกับเสียงตบมือนะเสียงตบมือคือคื อ, ค อ, คอว่าต้องมีตบมือทั้งสองข้างตบข้างเดียวไม่ดังต้องสองข้างสองข้างนี่ก็หมายถึงอะไรนะหมายถึงปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในคนเราจะสุขหรือทุกข์ได้ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประกอบกันเหมือนกับ มือ2ข้างตบกันถึงจะดังข้างเดียวไม่ดังหมายความว่าไงสุขทุกเกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในก็หมายความว่าประการแรกก็คือต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับเราแล้วใจเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร เช่นอาหารที่ปรุงอย่างประณีตแม่ครัวพ่อครัวก็เป็นเชฟที่มีฝีมือแต่ว่าถ้าใจเรากำลังกังวลกำลังหมดหมองหรือว่ากำลังคิดฟุ้งซ่านากินอาหารมื้อนั้นก็คงไม่รู้สึกอร่อยเพราะว่าใจไม่ไปรับรู้รสชาติ ใจไม่เอือ้อที่จะไป เ, เสพรสอร่อยของอาหารมือนั้นเพลงที่เพราะแต่งโดยนักดนตรีที่เก่งระดับโลกแต่ถ้าใจเรากังวลใจลกําลังทุกข์กําลังโศกฟังยังไงก็ไม่เพราะไม่เกิดความสุขจากการฟังเพลงได้ ในทางตรงข้ามถึงแม้ว่าอาหารจะไม่อร่อยหรือว่ามีราคาถูกๆแต่ถ้าเกิดว่าใจเราตอนนั้นกําลังมีความสุขกําลังมีความปิตินะกินก็อร่อยคนที่กําลังมีความรักหวานชื่นกินอะไรก็อร่อยทั้งนั้นนี่เขาว่าข้าหมายปาล ม, มัน ของที่ขมก็กลายเป็นหวานไปได้อันนี้พะอหลายไม่ใช่เพราะว่ารสชาติของอาหารแต่เพราะใจของเรานั่นความสุขหรือทุก์เนี่ยมันต้องอาศัยองค์ประกอบสองอย่างคือปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในปัจจัยภายใ น, นก็คือใจิตใจของเราว่าเรารู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรคนรู่ไปเข้าใจว่าสุขนี้เกิดจากการที่มี สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราทุกก็เกิดขึ้นจากการที่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราสิ่งดีเกิดขึ้นกับเราก็เช่นมีเงินมีทองมีชื่อเสียงนะแต่ถึงแม้มีเงินได้เงินมาแต่ว่าเราอยากจะได้มากกว่า น, นั้นมันก็กลายเป็นทุกขนะ์ไม่ใช่สุขมนะีชาวบ้านที่วันนี้เขาไปแทงหวย สิบห้าบาทแล้วก็ถูกขึ้นมาได้หกร้อยทีแรกก็มีความสุขดีใจแต่พอไปรู้ว่าเพื่อนเขาแทงเบอร์เดียวกันแต่ได้สองพันในที่ยิ้มนี่ก็กลายเป็นถูกเป็นเลยนะนะโมโหโตัวเองโทษตัวเองว่าน่าจะแทงมากกว่านี้นะหรือว่าทุกเพราะอิจฉา เืนที่เขาได้มากกว่าเราเนี่ยแม้ได้โชคมาแต่ถ้าวางใจไม่เป็นมก็กลายเป็นทุกข์อาจจะทุกข์กว่าตอนที่ไม่ได้โชคซะอีกนะงั้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับเรานี่ไม่ใช่เป็นหลักประกาศว่าเราจะมีความสุขมันอยู่ที่ว่าเราจะวางใจหรือรู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรคนถูกร า, วางวัลที่หนึ่งก็อาจจะกลายเป็นทุกข์ไดนะ้เพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็น อาจจะใช้เงินก้อนนั้นไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะได้เงินมาก็ที่จะสนุกสนานไม่เป็นอันทํางานกลายเป็นโลกสุราเลื้อลังหรือว่าเกิดทะเลาะเบาแวงกับคนเพราะว่าถือว่าฉันรวยแล้วฉันไม่สนใจเพื่อนแล้วนะเพื่อนไม่มีความหมายแล้วก็กลายเป็นบาดหมางที่เคยมีคู่ครองก็เลยทะเลาะกันดังเมื่อ สิบห้าปีที่แล้วก็มีคนหนึ่งเขาก็ถูกรัตเตอรี่ถูกสลากได้เงินประมาณสามพันล้านบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยก็มีความสุขทั้งผัวทั้งเมียในทีแรกแต่ว่าผ่านไปห้าปีก็พบกัว่าผัวมีคู่นี้วก็อย ก, กันผู้ชายก็เป็นโรคสุลาเิือดลังก็ตาย ภรรยาก็ก็ตายเหมือนกันนะในึ้นหาที่โดดเดี่ยวนะอันนี้ก็ก็เป็นข่าวนะเมื่อปี2ปีที่แล้วมาเรืรูปแบบนี้ไม่ใช่เป็นกรณกเีเฉพาะมีอยู่มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจะทําให้เราสุขหรือทุกข์นี่ไม่ใช่ว่าไม่จะไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันเป็นของดีอย่างเดียวเป็นของดีแต่เกี่ยวข้องไม่เป็น หรือว่าใจเราไม่ไปเอือ้อไม่ไปรองรับนะก็กลายเป็นทุกข์ได้หรือเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นก็กลายเป็นปัญหาได้ในทางตรงข้ามแม้ว่าเราจะเจอสิ่งที่ไม่ดีเช่นอาจจะเกิดความพลาดพลาดสูญเสียมีความเจ็บความป่วยเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างถูกต้อง หรือรู้จักวางใจให้เป็นก็กลายเป็นคุณได้เหมือนกันทุก็กลายเป็นสุขได้เหมือนกันอย่างมีหลายคนนะเขาก็ได้สายความทุกนั่นแหละนะ อาศัยความเจ็บความปวยนั่นแหละเป็นเครื่องกระตุ้นให้ได้เข้าหาธรรมะจนกระทั่งได้ค้นพบสุขที่แท้ว่าอยู่ที่ใจได้ค้นพบความหมายของชีวิตว่าไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สมบัติชื่อเสียง ชีวิตก็กลายก็เปลี่ยนไปจากที่เคยทุกข์เพรา ะ, ะเพราะชีวิตไม่เป็นไปตามใจก่อนจะป่วยและยิ่งเจอความป่วยเข้าไปก็ทีแระก็ทุกข์ซ้าเข้าไปอีกแต่ว่าพอวางใจได้ถูกต้องเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเห็นความหมายของชีวิต ชีวิตก็กลับมีความสุขมากขึ้นหลายคนก็บอกว่ามีความสุขยิ่งกว่าตอนที่ไม่ป่วยซะอีกนะแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณความทุกขนะ์ขอบคุณความเจ็บความป่วยนะมีคนนึงเป็นโรคหัวใจนะเป็นโรคหัวใจอายุ ก็6กกว่าเป็น CEO ซ o โอซะด้วยตอนนี้เขาไปโรคหัวใจก็เป็นช่วงเทียกับที่ช่วงแรกกับที่เขาอยากกับภรรยาพอไปโรคหัวใจก็พยายามที่จะรักษาตัวกินอาหารให้ถูกต้องออกกาลังกายแต่ว่าก็ <c oughs> ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ เขาก็แปลกใจแล้วก็ไม่สบายใจเสร็จแล้วก็เลยทำการค้นคว้าหาความรู้เรื่องนี้ก็พบว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เป็นโรคหัวใจได้ก็คือการมีชีวิตที่โดดเดี่ยวอ้างว้างนะปิดตัวไม่คบค้าสมาคมกับใครซึ่งก็ตรงกับนิสัยของเขานะมีภรรยาก็หยากันนะ ทำแต่งานการไม่เกี่ยวข้องกับใครมากเท่าไหร่เขาก็เลยเนื่องจากความกลัวตายก็เลยเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิธีดีชีวิตเพราะว่าในรายงานการวิจัยนั้นเขาก็บอกว่าคนที่มีชีวิตแบบนั้นเนี่ยแบบเดิมคือโดดเดี่ยวอ้างว้างเนี่ยอยู่ได้ก็มีโอกาสที่ตายเพราะโรคหัวใจเนี่ยสีเท่ามากกว่าปกติ เขาก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคือออกไปสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นไปทำงานช่วยเหลือสังคมเป็นอาสาสมัครนะไปคบค้าสมาคมผู้คนมากขึ้นคือเปิดใจเข้าหาผู้คนมากขึ้นก็บอกว่าชีวิตดีขึ้นไม่ใช่ดีขึ้นทางกายอย่างเดียวไม่ใช่สุขภาพดีขึ้นอย่างเดียวแต่ว่าจิตใจก็ดีขึ้นด้วยมีความสุขมากก็เดิมแล้วเขาก็เลยบอกว่า การไปรบหัวใจนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่า ง, างที่เกิดขึ้นกับเขาอันนี้ก็ก็เป็นเครื่องชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจะดีหรือไม่ก็ตามมันยังอยู่ที่ว่าเราไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรด้วยถ้าเราเกี่ยวข้องเป็น แม้ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าคุณภาพชีวิตเราก็า จ, จะดีขึ้นได้สุขภาพและความสุขก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เหมือนกันรดังนั้นเราต้องเราถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะเรียนรู้ที่จะหาทางเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆให้เป็นให้ถูกต้อง เราจะไม่หวั่นกลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมันแย่มันไม่ดีนะความพัดพราความสูญเสียโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่จะพิพากษาว่าเราจะต้องเป็นทุกขนะ์เพราะว่านั่นคือปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในที่สำคัญมากนะก็คือจิตใจของเราหรือการเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นความเจ็บความปวดนะถ้าเราใช้ให้เป็นเกี่ยวข้องให้ถูกก็กลายเป็นสิ่งดีมันดีได้หลายอย่างนะาจจะทำให้เรามีความอดทนมากขึ้นอาทำให้เรารู้จักปรับเปลี่ยนชีวิตของเรา นะให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องมากขึ้นหรือว่าเรียนรู้ที่จะยกจิตให้อยู่เหนือความเจ็บความปวดนั้นทั้งหมดนี้มันอยู่ที่มุมมองของเราด้วยอยู่ที่การวางใจของเรามีเด็กคนนึงเนี่ยนะอายุแค่14 จะเป็นมะเร็งสมองอนะัตอมาก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่พาอาสาสมัครไปรเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็มีอาสาสมัครไปรเยี่ยมเด็กคนนี้แหละนะที่เป็นมะเร็งสมองอาสาสมัคร็ขแปลกใจมากเลยที่เด็กคนนี้นี่แกหน้าตาแจ่มใสนะ รู้พาปลาสายดีมากไม่มีทีท่างคนป่วยแต่นอนที่แกเพิ่งโดนฉายแสงมาก็หัวผมร่วงหมดนะแถมคนไข้ก็ยังชวนอาสาสมัครว่าดลูกแกชอบว่านลูกคุยไปคุยมาแกก็อาสาเด็กคนนี้ก็บอกว่าแกโชคดีนะนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูก เพราะว่าญาติในคนหนึ่งเป็นว่าปวดมากแต่บอกว่าโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองอสารสมองฟังก็อึ้งไปเลยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็มีความทุกข์และในความรู้สึกเนี่ยตัวเองทุกข์มากเลยนะแต่ว่าความทุกข์ของตัวเองเทียบไม่ได้กับเด็กคนนี้ตัวเองทุกเรื่องงานตัวเองทุกเรื่องครอบครัว แกบอกว่าแกเคยแกแกเปิดเิดความในใจในคืนก่อนหน้าที่จะไปเยี่ยมอาศัไปเยี่ยมคนป่วยว่าเนี่ยจำไม่ได้เร ว, ว่ายิ้มเขาสุดท้ายเมื่อไหร่แต่พอไปเยี่ยมเด็กคนนี้นี่แกได้คิดเลยนะว่าโอ้ความทุกงแกมาเล็กน้อยมากเล็กน้อยกว่าเด็กคนนี้แต่เด็กคนนี้นี่ครับยิ้มแย้มเพราะเขามีมุมมองต่อโลกไม่เหมือนตัวเขา เพราะว่าความทุกข์ของเขานี่ก็เพียงแค่เรื่องงานเรื่อ ง, ง, าองกายเรื่องครอบครัวซึ่งมันห่างไกลจากความตายเยอะเด็กคนนี้เขาใกล้ความตายแต่เขาก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรมากอันนี้ก็เป็นภาพเปรียบเทียบของคนสองคนซึ่งเจอเหตุการณ์หนักเบาต่างกันแต่ความรู้สึกคนที่เจอจะเหตุการณ์เบาแต่รู้สึกแย่ตรงข้ามกับคนที่เจอเหตุการณ์หนักแต่ก็รู้สึกเบากว่า อันนี้มันเป็นเรื่องใจแท้ๆเลยมันอยู่ที่การวางใจให้เป็นอยู่ที่มุมมองต่อสิ่งที่เกิดขึ้ น, นก็มีเด็กอายุวันสิเหมือนกันคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันเป็นมะเร็งแต่ละช่วงที่เขาป่วยที่โรงพยบาบาลเนี่ยเขาก็ บอกกับพ่อแม่ว่าเนี่ยนี่คือช่วงที่เขามีความสุขที่สุดทำไมถึงมีความสุขํำตอบงาย ก, ก็คือว่าเป็นช่วงที่เขาได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่มากเพราะก่อนหน้านี้พ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาก็หงเหงอนฐางกันแต่พอเขาป่วยพ่อแม่ก็ลางงานมาดูแลเขาเขาก็มีความสุขคือ เราจะได้ยินได้ฟังเรื่องของคนที่เขาบอกว่าเขาโชคดีที่เป็นมะเร็งหรือเขาโชคดีที่เขา เ, เป็นเอชนะอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกเวทนาที่เกิด ข, ขึ้นกับเขาเนี่ยมันเบาบางไม่ใช่เลยมันหนักแต่ว่าเขารู้จักการวางใจหรือสามารถที่จะเห็นข้อดี จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจากโรคภคยไข้เก็บที่เกิดขึ้นกับเขาอันนี้เป็นการมองแบบผู้ทุชนนะคือมองในแง่บวกนะซึ่งก็มีประโยชน์ในการที่จะช่วยทำให้เรารับมือกับความทุกข์ได้แต่ึ่งหนึ่งที่เราน่าจะเรียนรู้ นอกจากการรู้จักมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในแง่บวกก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์โดยที่ความทุกข์นั้นทำอะไรกับเราไม่ได้ ความทุกข์นะมันเราเรียกว่าเป็นความทุกข์ก็เพราะว่ามันก่อให้เกิดทุกขเวทนากับเราและทุกขเวทนาที่มันเป็นของแท้ของจริงก็คือทุกขเวทนาทางกายความร้อนความหนาวความเจ็บความปวด แต่สิ่งที่ทุกขเวทนามันทำให้เราทุกขยิ่งขึ้นก็คือใจของเรานะที่พยายามปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกับตัวเราอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราที่เราไม่ชอบทันทีที่เรา ตั้งท่าปฏิเสธไม่ยอมรับพยายามผลักสายมันวินาทีนั้นเนี่ยความทุกข์มันก็เพิ่มเติมอาจจะเป็นทวีคูณเพราะว่าจิตที่ตั้งท่าปฏิเสธจิตที่พยายามผลักสายเนี่ ย, ยทันทีที่คิดจะผลักสายเนี่ยมันก็ทุกข์แล้วทุกข์เพราะไม่ยอมรับ ทุกข์พอกกลดาชตากรรมที่เกิดขึ้นกับตัวทำไมต้องเป็นฉันฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยทำไมฉันต้องมาเจอแบบนี้นะไอจิตที่มันโบนจิตที่มันกลด่าจิตที่มันโกรธมันเกลียวเนี่ยหรือหงุดหงิดเนี่ยนะมันเป็นตัวซ้ำเติมความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเราสะสมนิสัยแบบนี้มาเป็นเวลานาน รถติดเพียงแค่รถติดเนี่ยมันไม่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอเราไปไปหงุดหงิดนะไปลำคาญกับมันหรือคอยรถรถไม่มาคอยเพื่อนเพื่อนยังไม่มาแทนที่เราจะยอมรับด้วยใจที่เป็นกลางๆเราก็งุดหงิดกระสับกระส่ายพยายามที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งมันก็ทำให้เราทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับมันตามที่เป็นจริงว่าเออยังไม่มาก็ก็ไม่มาก็คอยกันไปรถติดรถไฟยังไม่ไฟแดงมันยังไม่เปลี่ยนไฟเขียวก็เออก็รู้ว่ามันยังไม่มาก็คอยมันเฉยๆยอมรับมันตามที่เป็นจริงเราจะพบว่ามัน ติดใจเราเบาลงไปได้เยอะแต่ส่วนใหญ่เรามักจะมีปฏิกิริยาอย่างแรกก็คือการพยายามปฏิเสธพ ย, ายามผักไสไม่ยอมรับและทันทีที่เราพยายามที่จะทำโน้นทำนี่เพื่อที่จะผักไสมันแล้วไม่สำเร็จเราก็ยิ่งทุกเข้าไปใหญ่ ในการที่เวลาเราเจ็บเราป่วยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือการยอมรับมันโดยเพราะในขณะที่มันยังในขณะที่การบาบัดรักษายังไม่เห็นผลคือการยอมรับนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทำอะไรเลย แต่ว่าเราก็ต้องอยอมรับความปจริงว่าในขาที่เราจะเราพยายามทำอะไรก็ตามเพื่อรักษาเยียวยาแต่มันยังไม่เห็นผลในเร็ววันความเจ็บ ค, ความปวดทุกเวทนาก็ยังมันเกิดขึ้นกับเราอยู่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้โดยไม่ผลักไสโดยไม่พยายามปฏิเสธหรือว่าพยายามผลักไสมัน หมายถึงตัวทุกขเวทนาเนี่ยเพราะว่าผลักสายมันเท่าไหร่มันก็ไม่ไปหรอกเพราะเหตุปัจจัยยังไม่ยังไม่ทำงานหรือยังไม่เห็นผลตามที่เราต้องการอันนี้พอเรายอมรับมันแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือการมีสติอยู่กับสิ่งนั้น หมายความวอย่างไรก็คือว่าใจรู้ใจรับรู้ทุกขเวทนานั้นโดยที่ไม่พลัดไม่หลงไม่เผลอเข้าไปในทุกขเวทนานั้นบ่อยครั้งเนี่ยนะในขณะที่เราพยายามผลักไสพยายามปฏิเสธทุกขเวทนานั้น แต่มันน่าแปลที่ใจของเราเนี่ยกลับเข้าไปยึดเข้าไปติดโดยไม่รู้ตัวที่จริงไม่ใช่เฉพาะทุกขเวทนาทางกายโายครคภัยไข้เจ็บนะความเศร้าความโศกความเสียใจเนื่องจากความพลาดพลาดสูญเสียเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็พยายามปฏิเสธเราพยายามที่จะไม่ยอมรับมัน ว่ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเงินหายหายไปแล้วแต่เราก็ไม่ยอมรับคนรักของเราเขาพัดพากจากเราไปเราไม่ชอบเราไม่ยอมรับแต่ใจก็มักจะหวนคิดหวนนึกถึงสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆเงินหายแไปก็ยังหวนคิดถึงเงินที่หายของที่หาย คนที่เขาจากเราไปแล้วก็ยังหวนคิดวนคํานึงท่างที่ใจเราก็พยายามผลักไสไอความนึกคิดความเศร้าความโศกความเสียใจแต่ว่าใจมันก็ชอบไปปรุงให้เกิดความลูกเสือบอลนั้นมากขึ้นเพราะมันไปคิดไปนึกไปหวนคํานึงอยู่ บ, บ่อยๆยิ่งผลักายแต่กลับใจยิ่งเข้าหานะเหมือนกับว่ามันติด ก, กับดักยิ่งผลักายแต่ใจกับยิ่งเข้าไปติด ก, กับดักของมัน นี่มันคู่กับอะไรนะมันก็เรียกว่าความยึดติดอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติแต่ถ้าเรามีสติรู้สติรู้ในเวทนานั้นใจมันก็มันก็ไม่เข้าไปจมอยู่ในทุกขเวทนานั้นมีสติรู้ความเศร้าความโศกความเสียใจใจมันก็ไม่เข้าไปในความเศร้าความโศกแล้วก็ไม่เข้าไปปรุงไม่เข้าไปนึกถึงเรื่องที่มันผ่านไปแล้ว แต่เพราะเราไม่มีสติมันก็เลยเผลอมันพลัดเข้าไปกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเราอาจจะวางใจปล่อยมันได้ง่ายเช่นของมันหายไปแล้วเร า, า จ, จะวางใจปล่อยวางได้ง่ายแต่บางคนก็อาจจะสงสัยว่าไอ้ทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับเราซึ่งซึ้งหน้ามันเป็นปัจจุบันเลยนะมันไม่ใช่อดีตนะของหายเป็นอดีตไปแล้ว ที่เขาจากเราไปมันก็กายเป็นอดีตไปแล้วความสัมพันธ์ก็กลายเป็นอดีตไปแล้วแต่ทุกเวทนานนเนี่ยมันเป็นของจริงของแท้เกิดขึ้นกับปัจจุบันตรงนี้มันเป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะปล่อยวางแต่ถ้าว่าเรามีสติมีสติรู้ว่า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับกายสติที่เห็นมันก็ช่วยทำให้เราไม่เข้าไปเป็นนะไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดเห็นแต่ความปวดแต่ไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดสิ่งนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกอยู่บ่อยนะ ในชีวิตประจําวันของเราไม่ใช่เฉพาะในการปฏิบัติในรูปแบบเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งต้องไปกระทบกับสิ่งต่างๆมากมายที่ไม่พอใจที่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกใจเรารวมทั้งสิ่งที่มันก่อให้เกิดทุกขเวทนาแก่เราเจออากาศร้อนอากาศหนาวนะ เจอความโศกความเศร้าวควา ม, มลำคาญใจเราอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกใจให้มีสติเป็นผู้เห็นไม่ใช่ผู้เป็ น, นคุูบาอาจารย์ขอธ ม, มาหลวงพ่อเขียนแ้ก็ย้ำอยู่เสมอว่าให้เห็นนะอย่าเข้าไปเป็นสติมันทำหน้าที่นี้แหละ และสิ่งเหล่านี้เราก็ฝึกได้นะจากการเราเริ่มฝึกได้จากการเจริญสติทำสมาธิภาวนาความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจมันมีทั้งบวกและลบบ่อยครั้งความรู้สึกที่เป็นบวกเกิดขึ้นเราก็เข้าไปคลอเคลียกับมัน ความสุขที่เป็นลบเกิดขึ้นเราก็ไปพยายามผลักใสนี่คือปฏิกิริยาที่เราทำเป็นอาจิมจะเป็นนิสัยแล้วมันก็ไปแสดงอาการเวลาเราปฏิบัติเวลาเราเจริญสติทงสมาธินึกคิดอะไรที่ดีแล้วก็ใจลอยยาวเป็นขบวนมีความงหงุดหงิดลาคาญใจเกิดขึ้นก็พยายามผักใส แต่เราไม่เรียรู้ที่จะอยู่กบไม่เรียรู้ที่จะเห็นมันตามที่เป็นจริงคือยอมรับมันไม่ผลักไสแล้วก็ไม่เข้าไปครองเข้าไปยึดหรือไม่ไฝ่หาแต่ว่าเห็นมันรู้แล้วก็วาง รู้แล้วก็วางเนี่ยอันนี้มันเป็นทางสายกลางคือไม่เข้าไปผักสายแล้วก็ไม่เข้าไปคอเคลียดยดครองเราอยู่กับความหงุดหงิดได้อยู่ความลำคาญใจได้อยู่ความความความเครียดได้ความขุ่นเคืองได้ โดยที่มันทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเรามีสติรู้ขุนเคืองใจก็รู้เพลินยินดีก็รู้งุดหงิดก็รู้ร้อนก็รู้หนาวก็รู้รู้อยู่เรื่อยๆยุดรู้อยู่เรื่อยๆรู้อย่างเดียวรู้เฉยๆอย่างเดียวนั่นแหละมันก็ ช่วยทำใหนะ้เรามีเครื่องรักษาใจไม่พลัดเข้าไปในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าบวกหรือลบและเมื่อเรามีสตินะเป็นมีสติเป็นเครื่องอยู่คืออยู่ความรู้ตัวอันนี้แหละที่จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับทุกขเวทนาอยู่ความเจ็บปวดได้ โดยทีเ่เราไม่เป็นผู้เจ็บปวดเสียเองเพราะความเจ็บปวดไม่ใช่เรานะแต่ถ้าเราไม่มีสตินั้นเราก็มักจะเผลอยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่เสมอไม่ใช่กายที่ปวดแต่ว่าฉันก็ปวดด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่กายที่ร้อนแต่ว่าฉันก็ร้อนด้วยนะไม่ใช่กายที่หนาวฉันก็หนาวด้วย คือมันมีฉันเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้เป็นเจ้าของความทุกข์ความทุกข์เขาเกิดขึ้นอยู่เฉ ย, ย, เฉยๆเนี่ยมันไม่เป็นอะไรหรอกแต่พอไปยึดว่ามันเป็นฉันมันเป็นตัวฉันที่เจ็บมันเป็นตัวฉันที่ทุกข์นี่มันก็ก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วการมีสติเนี่ยมันช่วยทําให้เราไม่ไป ยึดไม่ไปปรุงเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดา <S <S เป็นธรรมชาติเนี่ยมากลายเป็นเราเป็นของเรา <S <S 1> <S 1> มันมีแต่ความปวดแต่ไม่มีผู้ปวดมันมีแต่ความความเจ็บแต่ไม่มีผู้เจ็บอันนี้เกิดขึ้นได้มีความร้อนแต่ไ ม, ม่ไม่เป็นผู้ร้อนมีความหนาวแต่ไม่เป็นผู้หนาวอันนี้คือวิธีในการวางใจเวลา เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นกับเราถ้าใจเราไม่ไปสมยอมมันก็มนก็ตบตกมือข้างเดียวคือไม่ดังถ้าใจเราไม่ไปเอออไม่ไปร่วมมือด้วยมันก็ไม่มีความทุกข์แต่พอใจเราไปไปร่วมมือไปยึด แม้ดูเหมือนจะไปผักสายแต่ว่ามันก็เข้าไปยึดโดยไม่รู้ตัวก็เลยทุกเวลาพรานเนี่ยเขาจะจับนกเนี่ยหรือจับไก่ปลาเนี่ยวิธีการเขาเขาไม่ได้เอาเหยื่อมาล่อเหมือนกับตกปลานะตกปลานี่เขาเหยื่อมาล่อปลาเขาชอบกินเหยื่อกินไส้เดือนก็ไปก็ไปงับเหยื่อก็โดนเบ็ดแทง นั่นเป็นวิธีการจับปลาแต่วิธีการจับไก่ปลานกป่านี่เขาไม่ได้ใช้วิธีนั้นเขาเอาเขาเอาสิ่งที่ไก่และปลาแล้วก็นกนั้นไม่ชอบมามามาล่อก็คือเอานกเอาไก่จากที่อื่นนี่แหละมาเพื่อล่อให้มันเข้ามากับดักไก่ปลาเจ้าของบ้าน มันหวงถิ่นมีมีไก่แปลกหน้าเข้ามามันก็พยายามเข้าไปไล่เข้าไปเข้าไปตีเพื่อจะให้ออกไปจากถิ่นของมันแต่นั่นแหละก็คือสาเหตุที่ทำให้มันติด ก, กับดักเพราะว่าพอมันเข้าไปไล่นะไก่มันก็พัดเข้าไปในบ่วงที่พรานเขาล่อเอาไว้ การในที่นี้ก็หมายถึงตัวมารก็ได้มานี่มันก็พยายามล่อให้เราก็ไปจมอยู่ในความอยู่ในความทุกข์ไม่มีทางที่จะออกมาออ ก, ออกมาเป็นอิสระจากจากความทุกข์ได้และสิ่งที่มันล่อเอามาล่อคูอคือศัตรูหรือสิ่งที่ เราคิดว่านั่นแหละคือศัตรูแล้วเราก็พยายามไปผักไสมันแต่ยิ่งพยายามผักไสมันเท่าไหร่เราก็ยิ่งติดกับดักของมันก็คือติดอยู่ในความทุกข์อันนี้จะโทษเหยื่อก็คงไม่ได้นะแต่ต้องโทษไอ้ความอยากในใจที่ต้องการไปผักไสโดยที่ไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงแต่ถ้าเรามีสติแล้วก็มีปัญญานะ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็รู้ว่าอันนี้นะมันคือเหยื่อและเราไม่หลงเข้าไปติด ก, กับดักของมันก็คือเราวางใจเป็นกลางเราไม่โง่ที่จะไปงับเหยื่อที่ ปลาก็ล่ออาไว้หรือไม่โง่ที่จะเข้าไปผักใสพือที่ไปติดกับดักของพรานที่เขาวางกับดักเอาไว้อันนี้แหละก็จะทําให้เราสามารถที่จะรักษาตัวรักษาใจให้เป็นอิสระได้และด้วยเหตุ น, นี้ความทุกข์มันทําะไรเราไม่ได้ก็คิดว่าช้านี้พอสมควรกับเวลาลก็ขอ ผู้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรานั่งสมาธิสักพักนงแล้วค่อยเลิกกัน